ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะก็อให้เกิดทุกข์หรือเกิดสุขอย่างไรก็สามารถเอามาเป็นบทเรียนเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาจิตใจให้ขึ้นส่ระดับสูงอยู่เสมอแล้วก็ขอเสื็พนุสุนที่ต่อไปนะครับว่าใจของคนเรานี่เป็นของแปลกคือว่าจะหมุนให้ไปทางไหนก็ได้ ในเรื่องเดียวกันจะคิดให้ทุกข์ก็ได้จะคิดให้สุ ข, ขก็ได้คิดให้ร้อนก็ได้คิดให้เย็นก็ได้คิดให้ยึ ด, ดยถือโดคิดให้ปล่อยวางก็ได้แต่ก็ต้องเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วเป็นกรรมอนิยะแปลว่าควรแก่การงาน ถือว่าให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนดินน้ำมันหรือดินที่กำลังมาดจะปั้นให้เป็นรูปได้ก็ได้แต่พระพุทธองค์จริงจัดว่ามนโนเมยียว่าสิ่งทั้งหลายสาเร็จมาจากใจแล้ว่าเป็นเป็นจิตที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วก็เหมือนขมือของเราเนี่ยครับ มือของเราถ้ายังเป็นกรรมนิยะถือว่ามันยังใช้งานได้จูเราจะพลิกอย่างไรก็ได้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ง่ายหรือว่าพลิกหลังมือเป็นหน้ามืออก็พลิกได้ง่ายถ้ามันเป็นกรรมนิยะอยู่ันี่เขาบอกว่าง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ หรือว่าเหมือนคนที่มีกำลังดีอยู่เหยียดแขนออกแล้วก็คู่แขนเข้าม่นก็ททำได้ง่ายอย่างานั้นมันเป็นกรรมนิยะคือว่าใช้งานได้ดีผู้มีความคิดเป็นควรรักษาใจไว้ให้ดีเพราะว่าให้มองเห็นว่าจิตของเรานี่เป็นแก้วตัลพัดนึก อะไรจะเสียก็เสียไปเถอะแต่ขอให้รักษาสุขภาพจิตไปก่อนเพราะว่าสุขภาพจิตเป็นบอกเกิดของความสุขหรือความทุกข์ของเราสุขภาพจิต ด, ดีมีสุขสุขภาพจิตไม่ดีมีทุกข์คนเสียแขนเสียขานะครับก็ได้ชื่อว่าเสียแขนเสียขา แต่ถ้าเสียจิตเรียกว่าเสียคนเรีย ว, ว่าเสียไปหมดทั้งคนทีนี้ถ้าเสียจิตจนถึงก็เป็นบ้าก็เสียคนเสียอนาคตแล้วก็ยังจะต้องเสียใจไปถึงชาติหน้าอีกด้วยเพราะว่าสภาพจิตเช่นนั้นย่อมจะสืบพบสืบชาติไป ในสุขภาพกิตที่ดีที่เสียที่เร็วอะไรมันก็สืบพบสืบชาติไปเรื่องคำนองนี้นะครับปัญญาจะช่วยแก้ปัญหาเราได้ปัญญาช่วยให้แสงสว่างในการดําเนินชีวิตแก่เราเหมือนไฟสองทางแล้วก็บุคคลจะบริสุทธิ์แต่โดยปัญญาคือพระพุทเธเจ้าตรัสว่าปัญญายะไปสุทธจติบุคคลบริสุทธ์แต่โดยปัญญา ถ้าจึงควรอบรมปัญญาเพิ่มผูนปัญญาชีวิตของผู้มีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างแท้สิงแต่ต้องเป็นปัญญาชอบนะครับเป็นสัมมาปัญญาหรือเป็นปัญญาที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาชนิดนี่อบรมทีแถวก็ออย่อมจะนําไปสู่ความสุขพ้นจากกิเลสทั้งปวง ชีวิตของผู้มีจิตเช่นนี้ก็ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสูงสุดอันนี้อธิบายข้อความที่ว่าผู้มีชีวิตด้วยอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดและสะตัตย์รัชานี่ครับสัตย์รัานนมันก็ยังใช้ปัญญาเหมือนกัน ใช้ปัญญาเป็นอุปายเพื่อให้พ้นภัยอย่างเรื่องในชาดกชาดกหลายชาดกหลายเรื่องด้วยกันแที่แม้มันจะเป็นสตเอัจารยะมันก็ดังรู้จักใช้ปัญญาให้พ้นภัยดังเรื่องต่อไปนี้นะครับผมจะนำมาเล่าฝังเป้นบางเรื่องเป็นเรื่องนกมูลไทยเรื่องลิงกับจระเข้ เรื่องไก่กับสุนัขสิ่งจอกอันนี้เป็นต้นนี่ น, นะครับก็มีเะ อ, อันนี้จะลองเล่าให้ฟังนะสั้นๆย่อๆพอจะได้เป็นตัวยอย่างแม้แต่สัตว์เดราจานมันยังต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้ประสบสวัสดิภาพของมันเองว่าเป็นอุบายอุบายนี่คือวิธีการ เป็นวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบางทีเราใช้คำว่ากุศโลบายหรืออุบายที่ฉลาดอุบายที่ฉลาดอย่างเช่นว่านกมูลไทยนกมูลไทยตัวหนึ่งอาศัยแล้วก็เที่ยวหากินอยู่ตามก้อนดินที่ไทยนาพอวันหนึ่งมันก็คิดว่าเรหากินอยู่ที่นี่นานนักแล้ว ควรจะไปหากินที่อื่นบ้างจึงออกจากที่เคยจูไปหากินที่ชายตรงขนาดนั้นก็มีเหยืยนอก น, เยนอกเขาตัวหนึ่งเดยื่วนกเขาตัวหนึ่งโฉบลงมาจับนกมูลไทยโดยเรยวนกมูลไถก็ข้ามครวนว่าเราไม่มีบุญเสเลยเพิ่งออกมาหากินต่างถิ่น ที่ไม่ใช่โคจรคือไม่ใช่ที่หา ก, กินของตนเพียงครั้งแรกเท่านั้นก็ถูกจับเสียแล้วถ้าวันนี้เราอยู่ในที่หา ก, กินของเราเดี๋ยวนกเขาขนาดนี้หรือจะพอกำลังของเราเดี๋ยวนกเขาถามว่าที่ไหนคือแดนของท่านนกมุนไถยก็ตอบว่าที่ก้อนดินที่เขาไถนา เดี่ยนกเขาเป็นสัตว์เชื่อมั่นในกำลังของตนจึงปล่อยนกมูนไถยไปพร้อมกับบอกว่าถึงไปที่นั่นก็ไม่พ้นเรานกมูลไถยไปยืนอยู่บนก้อ น, อนดินยืนอยู่บนก้อนดินใหญ่ก้อนหนึ่งแล้วก็เรียกเดี่ยนกเขาให้มาต่อสู้กันเดี่ยวผู้เชื่อมั่นในกำลังของตนโฉบลงมาด้วยความเปร็ว นกมูลไทยหลบเข้าซอกก้อนดินตรงนั้นเดี๋ยวก็ไม่สามารถจะยังกำลังเร็วของตนได้แล้อ ก, กระแทกก้อนดินใหญ่ถึงตายทันทีนี่นกมูลไทยมันใช่อุบายอุบายที่ฉลาดเขาตัวรอดได้ด้วยอุบายที่ฉลาดก็เรื่องต่อมายกตัวอย่างเช่นจระเข้ตัวหนึ่ง รับคำของนางจร ะ, ะเข้มาจะนำหัวใจลิงไปให้นางเพื่อบำบัดอาการแพทองไปรับอาสาจะพาลิงค้าฝั่งแม่น้าเพื่อเพื่อไปหากินฟังโน้นพอไปถึงกลางแม่น้าก็จมตัวลงเพื่อให้ลิงตายลิงก็ถามว่าทำอย่างนี้เพื่อจุดประสองค์อะไร จระเข่บอกว่าจะข่าให้ตายเอาหัวใจไปให้พันจาลิงวเราะขี้ไปฝั่งโน้ให้จระเเ่ดูผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งสุกแดงห้อยย้อยอยู่บอกว่านั่นคืนอหัวใจของลิงหัวใจของมันเองอยู่ที่นั่นถ้าต้องการหัวใจก็ทรงให้มันขึ้นฝั่งให้ขึ้นฝั่งโน้ แล้วมันจะขึ้นเอาหัวใจมาให้จระเขพผ่าซื่อลรงโง่นี่คว่าจริงจริงพาลิงไปส่งแล้วเมื่อลิงขึ้นต้นไม้ได้แล้วก็หัวเราะลันโดนพลไม้สุกสองสามลูกมาให้จระเขบอกว่าเอาไปเถิดจระเข้หน้างโง่เลยแต่นั่นแหละผลตอบแทนความงโง่ของแก อนในเรื่องลิงกับแตดเคครับวันนี้ก็พอมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะรับก็เป็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับไก่แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ไก่แล้วก็บอกว่าขันสงสัยว่าท่านจะขันได้ไปเลาะเหมือนพ่อของเจ้าหรือไม่ เจ้าจะขันได้ไผ่หรอกเหมือนพ่อของเจ้าหรือหม่ไก่ชอบใจจึงรับตาขันอย่างดีที่สุดสุนักวิ่งจฮะเข้าไปงับไก่แล้วก็พาไปพวกชาวบ้านเห็นแล้วก็พากันวิ่งตามพรางต่โกนว่าเร็วเข้าเร็วเข้าหมาจิงนจอกขับไก่ของเราไปแล้ว ไก่พูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าได้ยินใหม่ได้ยินใหม่คนเขาร้องกันว่าเจ้าจับไก่ของเขาไปเจ้าบอกเขาสิบอกคนเหล่านั้นสิว่าฉันฉันเป็นของท่านไม่ใช่ของเขาสุนัขจิงจอกมันถึงอ้าปากจะตอบชาวบ้านยังนั้น พออ้าปากไก่ก็หลุดออกมาจากปากมาจึงจอกก็หลอกไก่หลอกไก่มาก่อนหลอกไก่ให้ทํำท่าขันเพื่อจะขันไพร่เลาะมันพ่อของเจ้าหรือไม่กระโดนไก่ลอกเอาบไปอุบายอเป็นอุบายไก่นี่เป็นอุบายแต่มาจิงจอกนั้นหลอกหลอกเพื่อจะอเอาเปรียบเพื่อจะกินเขาแต่ว่าไก่นีมน่มันเป็นอุบายที่ฉลาด ปากใจก็หลุดออกมาดินขึ้นทนมาแล้วก็พูดลงมาว่าเจ้าเป็นคนโกหกฉันเป็นของเขาต่างหากไม่ใช่ของเจ้าสุนักจิ้งจกเอาปากกระแทกพื้นด้วยความเจ็บใจแล้วก็ร้องว่าปากเจ้าเอ้ยเจ้ามันพูดมากเกินไป ถ้าเจ้าสงวนคำพูดเสียบ้างเจ้าก็จะได้ไก่เป็นอาหารในเย็นวันนี้อนี่เรื่องเรื่องสัเจจะฌานในสังคมของสัเจจะฌานมันก็มีอะไรต่ออะไรที่ให้แง่คิดกับเราไม่เดียวที่จริงเราต้องการจะสอนคนนั้นแหละแต่ว่าเอาเรื่องจัด ต, ตั้งทางมาเล่าให้ฟังอย่างนิทานในศบเนีครับดีๆทั้งนั้นเลย นิทานนิโสตีเราต้องการจะสอนคนในสังคมแต่ว่าเอาจัดมาเป็นตัวละครแล้วค น, นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า้าจะจบลงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือว่าถ้าเรารู้จักคิดรู้จักใจตรองและมีโยนิโสมนานสิการมีความคิดเป็นเราก็จะได้ได้คัตติได้อะไรจัก นิทานเหล่านี้เยอะแยะเลยชาตหนีนั้งมากมายแล้วเป็นเรื่องดีๆพระพุทธเจ้าเองก็เคยทรงชัยอุบายเหมือนกันตัวอย่างเช่นเรื่องพระนันทาพระนันทาที่มีศักิเป็นน้องของพระพุทธเจ้าลูกพี่ลูกน้อง นี่เมื่อบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เรียนกรรมฐานทำสมาธวิปัสสนาแต่ท่านไม่อาจจะทําใจให้สงบได้เพราะว่ามัวกังวลถึงเจ้าสาวที่พระกันไปหรือว่าพระพุทธเจ้าให้บวชเราเเก่งพระไถ่พระพุทธเจ้าก็เลยบวชบวช ด, ด้วยความเก่งพระไถยพระพุทธเจ้าแต่ทั้งทังนี้วันนั้นเป็นวันแต่งงาน แล้วก็ชนนบทกาลยานีคู่รักที่ต้องพลัดพรากมาพระพุทธเจ้าทรงทราบอย่างนั้นก็ทรงพาเที่ยวดูญิงงามในที่ต่างๆซึ่งงามกว่าคู่รักของพระนันทะจัดตามพระนันท่าว่าต้องการยิงงามอย่างนี้อย่างนี้ใหม่พระนันท์้าทูลตอบว่าต้องการต้องการ พระองค์จึงตรัสกับพระนันทะว่าให้รีบทําความเพียรเพื่อพรุรมัจจาทาสมถาวิปัสนาเข้าเถิดพระองค์จะเป็นประกันให้ได้ยญิงงามเห่านั้นพระนันทะรีบทําความเพียรเพื่อให้ได้หญิงงามแก่กลับได้บรรลุอรหัรตผล ทีนี้เม่บรร้แล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่ายังต้องการยิงงามอยู่ไหมพระนั้นทะทูลว่าไม่ต้องการแล้วพระองค์หลุดพ้นจากการเป็นนายประกันแล้วหมดเรื่องกันไปนี่ก็เป็นอุบายอันชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าทรงฉลาดในการฝึกคน คามพระพุทธเจ้าความจริงอุบายหรือกุศโลบายไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายมันหมายถึงการทําอะไรให้ถูกต้องเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เท่านั้นและการกระทํานั้นไม่ได้เปบียดเบียนใครให้เดือดร้อนไม่เป็นการช่อโกงไม่ใช่ ช, อช่อชด เป็นการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่เป็นการใส่ร้ายใครหรื อ, อยุยงให้ใครแตกแยกกันเพื่อตัวจะได้เข้ากลางหรือว่าเพื่อเป็นที่รักของคนใดคนเด็งหรือเพื่ อ, อยุให้เขาแตกกันเป็นการสอดสีเป็นลักษณะแห่งการสอดสียลองเทียบดูลักธธรรมของพระพุทธเจ้าดูนะครับ ในหมวดอิทิบาตีฉันทะมียะจิตตาวิมังสะกทศโลบายแบบนี้ก็จัดอยู่ในข้อววิมังสะแต่พิจารณาหาทางเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ต้องการโดยชอบทมต้องมีคําว่าโดยชอบทำเข้าไปด้วยเพราะถ้าไม่ถ้าไม่มีคำว่าโดยชอบทรมมันก็จะเป็นการสลัดแกมกูม คนที่เราจะใช้เขาถ้าเรามีอุปกรณในการใช้เขาก็เต็มใจช่วยเหลือในการงานของเราและทําให้เขารู้สึกภูมิใจที่ได้ทํางานนั้นหรือที่ได้รับงานนั้นไปทำและในการสงครามก็มีบ่อยๆนะครับหรือมีอยู่เสมอที่ฝ่ายที่มีกําลังน้อยแต่เอาชนะฝ่ายที่มีกําลังมากได้ โดยปลายอันแยบจลผูบายจึงสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตคนนะครับแต่ว่าขอให้มีความสุขเสรีหรือว่าโดยชอบธรรม